ข้อความในเทระคาถาหน้าหกสิบสามกังขาเรวตะเทระคาถาคือคำว่าพระเรวตะเนี่ยนะมีอยู่หลายรูปด้วยกันแต่ในพระเรวตะรูปนี้นะเป็นคนมักสงสัยก็เลยเรียกว่ากังขาเรวตะคือเป็นคนมักสงสัยท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยนะสงสัยในเรื่องพระวินัยซะส่วนใหญ่แต่เป็นอิระทักษะในด้านการเพ่งฌานในการ เรียกว่าเอตทัคคะในการเข้าสมาบัติเลยแหละสมาบัติไหนที่ท่านไม่เข้านะมีน้อยเต็มทีในที่ที่มีสมาบัติอยู่ทั้งหมดในโลกที่ท่านไม่ได้เข้าเนี่ยมยันจะหาได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบทีนี้ท่านก็ยกย่องพระพุทธเจ้าจริงๆท่านเป็นคนมักสงสยัยใช่ไหมจึงชมพระพุทธเจ้าผู้ตัดความสงสัยของท่านได้ว่าได้ยินว่าท่านพระกังขาเรวตะเถระได้ภาษิตธคาถานนี้ไว้อย่างนี้ว่าท่านจงดูปัญญานี้ ของพระตถ า, าคตเจ้าทั้งหลายดังไฟอันรุ่งเรืองในเวลาพลบค่ำานะไฟเนี่ยจริงๆก็ต้องกลางคืนใช่หมจึงจะสว่างสวัยเพรา ะ, ะนั้นถ้าหากว่ามีอะไรที่มันมืดๆเข้าไปใกล้ไฟนะเอ่อใกล้ไฟนั้นจะเป็นยังไงก็สว่างหมดใช่ไหมปัญญาของพระองค์ก็ฉันนั้นพระตถ า, าคตเหล่าใดย่อมกำจัดความสงสัยของเวนยศาสตร์ทั้งหลายผู้มาเฝ้าถึงสานักของพระองค์ พระตถ า, าคตเหล่านั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ให้แสงสว่างเป็นผู้ให้ดวงตาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้แสงสว่างให้ดวงตาท่านตรงนี้ท่านใช้ศั์สําคัญมากนะบอกว่าพระตถ า, าคตย่อมกําจัดความสงสัยของเวนยสัตว์ทั้งหลายเวนยสัตว์ก็คือสัตว์ที่พอฝึกได้แปลว่าสัตว์ที่จะมีวินัยสองอย่างได้อ่ะพอง์กําจัด ความสงสัยของสัตว์ที่จะมีวินัยสองอย่างคือสังวรวินัยกับปหาณวินยัยสังวรวินัยขยายเป็นห้าอย่างปหาณวินัยก็ห้าอย่างผู้ที่จะมีเ ว, เวินัยทั้งสิบประการอย่างนี้เรียกว่าเวนยัยสัตว์เนะเรียกว่าคนที่พอฝึกได้สอนได้ก็คือสอนให้มีวินัยสิประการนี่เอ ง, องนะก็เลยเรียกว่าเวนยัยสัตว์เพระพระองค์เนี่ยสามารถกําจัด ความสงสัยของเวนัยสัจเพราะความสงสัยไม่เกินสงสัยเรื่อง10บข้อนี่หรอกความสงสัยนะสงสัยสิบเรื่องหนึ่งย่อๆเลยก็คือสงสัยในวิใน10ประการเช่นสงสัยสังวรวิในเป็นยังไงสงสัยนะสังวรนนะเช่นศีละสังวรสงสัยในเรื่องอินทรีย์สังวรสงสัยในเรื่องขันติสังวรสงสัยในวิริยะสังวรหรือสงสัยในยาณสังวรในเรื่องปัญญานี สงสัยในเรื่องตะทงังฆาปหานสงสัยในเรื่องวิขัมพนาปหานสงสัยในสมุทเฉทฆาปหานสงสัยในปฏิปัสสัที่ปหานหรือนิสระณะปหานเพราะฉะนั้นเวนยสัตว์ทั้งหลายเขาต้องการฝึกสิกประการนี้ใช่ไหมไอสิ่งที่เขาสงสัยก็คือสงสัยใน10ประการนั้นเมื่อไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์แก้ความสงสัยในเรื่องนี้ให้เขาได้แต่ไม่ใช่สงสัยเรื่องที่ไหนก็ไม่รู้นะที่ที่ที่ว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตในสิประการที่พงค์ไม่ไปตอบปัญหาพวกเหล่านั้น เช่นโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยสัตว์ตายแล้วเกิดอีกหรือเกิดหรือไม่เกิดอีกเนี่ยปัญหาพวกนี้พระองค์ไม่ตอบทั้งนั้นอ่ะพระองค์ไม่กําจัดความสงสัยเหล่านั้นหรอกเพราะอะไรเพราะไม่ใช่กลุ่มเวนยสัตว์เพราะไม่ได้สงสัยในสิทประการเนี่ยฉั้นสิ่งที่พระองค์สงสัยก็คื อ, อสิ่งที่พระองค์แก้ความสงสัยก็คือแก้แล้วว่าสา ม, มารถที่จะมีสังวรวินัยและมีปานานวินยัยผู้ที่มีสังวรวินยัยปานานวินยัยเรียกว่าผู้ที่กําลังฝึก ผู้ที่ฝึกอย่างนี้เสร็จแล้วก็เป็นพระอรหันต์นั่นเองทีนี้ก็พูดถึงความเป็นไปเป็นมาประวัติของท่านพระกังขาเรวัตเถระว่านะท่านเหล่านี้แสนกับทั้งนั้นนะนะขอถ้าถ้ากลุ่มมหาสาวกหรือเอตทักฆะนี่ต้องแสนกับในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระแม้พระเถระนี้ก็เกิดในตระกูลของพราหมณ์มหาสานกรุงหงสาวดีวันหนึ่งเวลาพระศาสดา แสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยนะเขาก็ไปวิหารพร้อมกับมหาชนได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงอริยสัจเนี่ยนะประกาศอริยสัจเขาก็ไปตัวในครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะก็คือแสดงธรรมะที่ภาเราะในเบื้องต้นภาเราะในท่ามกลางภายเราะในที่สุดประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิง นนะทั้งหมดที่กล่าวนั้นคืออะไรคือสติปทานสีสมมติปทานสอิทธิบาทสีอินทรี่ห้าพระห้าโพชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดถามว่าจบลงที่ไหนจบลงที่พระนิพานเนี่ย น, นะจบลงที่พระนิพานงั้นก็ไปเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นต้นนะนะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องเป็นแบบนั้นที่เมื่อเขาไปฟังธรรมอย่างนั้นแล้วก็ยืนฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัทเห็นภาษาสดาแต่งตั้ง ภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ยินดีในฌานยินดีในฌานฌานก็แปลว่าการเพ่งกับการเผาเพ่งก็เพ่งสองอย่างเพ่งลักษณะกับเพ่งอารมณ์เผาก็คือเผาปฏิปักษธรรมนั่นเองคำว่าฌานเนี่ยเพ่งเพ่งอารมณ์นี่คืออะไรคือสมถะเพ่งลักษณะคืออะไรคือวิปัสสนา เพ่งลักษณะยังไงลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นนะนะเพ่งลักษณะเผาถ้าปฐมฌานก็เผาอะไรก็เผานิวรณ์เนี่ยนะทุติยฌานเผาอะไรก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยถ้าวิปัสนานามรูปพิจารณานามรูปเผาอะไรก็เผาักายะทิธิพิจารณาปัจจัยเผาอะไรเผาความสงสัยพิจารณาความเป็นกลุ่มเนี่ยนะโดยกาลปะหรือสัมมาสนะเนี่ยก็เผาความสำคัญว่าของเราไปได้ พิจารณาความเกิดก็เผาอุเฉดพิจารณาความดับก็เผาสัตตทิฐิเนี่ย น, นะมันผู้ที่คําว่าเผาก็คือเผาปฏิพักคธรรมนั่นเองนะมันสมถะทั้งวิปัสนาก็คือฌานนั่นแหละคำว่าฌานก็เป็นชื่อของสมถะและวิปัสนาที่บอกว่าท่านเป็นเลิศกว่าผู้ยินดีในฌานก็คือผู้เป็นเลิศในการยินดีในสมถะวิปัสสนานั่นเองนะนีมีความสุขกับสมถะวิปัสนา อันที่จริงแล้วพระอริยะทุกรูปทุกองค์ทุกท่านต้องยินดีในสมถะและวิปัสสนาทั้งนั้นแหละแต่ว่าใครจะยินดีแบบนี้ว่า อ, องค์เนี้ยมากกว่าเพื่อนอะ่ะ น, นะก็เลยเรียกว่าเป็นเลิศทางนี้เลยก็เลยคิดว่าในอนาคตแม้เราก็ควรเป็นเช่นกับภิกษุรูปนี้ดังนี้นะเห็นแล้วรื่มใสามากเลยนะเลิศในทางเจริญฌานเน่ยนะก็เหมือนอะไรเหมือนกับว่า คนนี้เจริญสมถาวิปัสนาทั้งวันทั้งคืนเลยนะฟังแล้วเลื่อมสายไหมอยากเป็นอย่างนี้บ้างนะในเวลาจบเทศนาก็นิมนต์พระศาสดากระทํามหาสการะเหมือนพระมหากกธิดานั่นแหละทําบุญอยู่เจวันกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยการกระทําอธิการคือบุญอันยิ่งในครั้งนี้เนี่ยข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสมบัติอย่างอื่นก็นับแต่นี้ไป วันสุดท้ายของวันที่7เนี่ยพระองค์ตั้งภิกษุรูปหนึ่งเอาไว้ในตําแหน่งของผู้เลิศกว่าพิสูุรทั้งหลายผู้เพ่งฌานฉันใดอนาโคตตการแม้ค่าพระองค์ก็พึงเป็นผู้เลิศกว่าพิสูุทั้งหลายผู้เพ่งฌานในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งดังนี้แล้วก็ตั้งความปรารถนาก็คือทําบุญและอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธเจ้าด้วยนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามว่ายายาเธอปฏิบัติให้มนิพพานเลยนะพระองค์มไม่ได้ห้ามอะไรใช่ไหม คือถ้าความอะไรก็ตามถ้าเป็นอัตตะสัมมาปณิธิ Version, นะการตั้งตนเอาไว้ชอบถูกตอ้องเนี่ยพระองค์จะไม่ห้ามเลยที่พระองค์ห้ามคือห้ามอะไรห้ามมิจฉาปณิธิคือการตั้งจิตไว้ผิดการตั้งจิตไว้อย่างเนี้ยชอบแล้วก็ทําบุญแล้วก็ตั้งจิตอย่างนี้พระองค์จึงสรรเสริญใช่ไหมยกย่องเลยนะถ้าไม่ยกย่องพระองค์ไม่พยากรณ์ให้หรอกนั่นะแสดงว่าพระองค์ยกย่องเห็นด้วยพระองค์จึงพยากรณ์คือพระศาสดาก็ตรวจดูอนาคตแล้วทรงเห็นความสําเร็จจึงพยากรณ์ว่า พระพุทธเจ้าทรงพระนามวโคตมะจากอุบัตในที่สุดแห่งแสนกับในอนาคตการาพยากรณ์ว่าจะได้เป็นเอตทัคฆะเป็นเลิศนะะหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จหลีกไปเขากระทำแต่กรรมดีจนตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดเวลาแสนกับบังเกิดในตระกูลที่มีสมบัติมากณนะกรงสาวถีในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย ไปสู่วิหารพร้อมด้วยมหาชนเนี่ยไปยูเออเป็นผู้เดินไปเพื่อจะฟังธรรมภายหลังพัดยืนอยู่ท้ายบริษัทฟังธรรมมถาของพระทศพลได้เฉพาะซึ่งศรัทธาเนี่ยนะก็ได้ศรัทธาในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าได้ศรัทธาในความที่ธรรมนี่นําออกจากทุกจริงแล้วก็ความปฏิบัติดีของพราริยสงฆ์ทั้งหลายบวชแล้วก็ได้อุปสมบทให้อาจารย์บอกกรรมฐานกระทำบริกรรมฌาน เป็นผู้ได้ฌานกระทําฌานให้เป็นบากบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยมากท่านจะเข้าสมาบัติที่พระทศพลทรงเข้าพระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติใดเนี่ยท่านก็จะเข้าแบบนั้นแหละเป็นผู้มีความชํานาญที่สั่งสมไว้แล้วในฌานทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยนะครอยู่แต่ในฌานเข้าแต่ฌานเข้าแต่สมถะเกียกว่าเข้าปฐมฌานเป็นต้นน่ยก็เรียกว่าเข้าเกือบทุกฌานเหมือนกันเถอะที่พระพุทธเจ้าเข้าแล้วพุทธเจ้าเข้าฌานไหนท่านก็เข้าฌานนั้นแหละ ครั้งนั้นภาษาสดาทรงตั้งท่านไว้ในตําแหน่งแห่งพิกษุผู้เลิศกว่าพิสูตทั้งหลายผู้เพ่งชานโดยพระพุทธดํารัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายพระกังขาเรวตะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้เพ่งชานเนี่ยนะก็เป็นนักเข้าสมาบัติจริงๆเลยทีนี้ก็เบื้องหลังของท่านนะนะก็ย้อนในคำพียาประธานยกมาให้ดูว่าในกับที่แสนแต่พัทธกับนี้พระพิชิตมารทรงพระนามว่าปฐุมมุตระ ผู้มีจักสุในธรรมทั้งปวงจักสุในธรรมทั้งปวงอันนี้เป็นชื่อของสมันตะจักสุหรือสัพพัญยุตยานั่นเองนะไม่มีธรรมไหนที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งสังคตะอสังคตะนี่นะทั้งส ม, มุติสัจจะประมัทสัจจะนีนะ่พระองค์มีจักสุในธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดเนี่นะจะได้ยกเอามาแสดงโดยไม่มีการติดขัดพระองค์นี้เป็นนายกนายกก็แปลว่า ผู้นำใช่ไหมโพงนี่นำไปไหนเนี่ยนะก็นำสัตว์ทั้งหลายออกจากสังสารวัฏเนี่ยนะพาสัตว์ทั้งหลายข้ามจากโอขะกันดานพาข้ามจากราคะโทสะโมหะมานะพาสัตว์ทั้งหลายข้ามจากสังสารวัฏเนี่ยนะข้ามจากการเกิดในอบายพาข้ามจากการเกิดในเปรตในเดรชาลข้ามเกิดในภพทั้งปวงนั่นเอง พระองค์นั้นมีพระหานุคือมีคางเหมือนราชสีมีพระสุรเสียงเหมือนพรมมีสำเนียงคล้ายหงและกลองใหญ่เสด็จดำเนินเยี่ยงกลายดุดช่างมีพระรสมีอ่นะเหมือนพระรสมีของจันทเทพบุตรอ่นะถ้าจะดูรัศมีของพระพุทธเจ้าก็สังเกตจากพระจันทร์เพนที่สองรัศมีออกจากตัวเนี่ยนะมีพระปรีชาคือปัญญามากมีความเพียรมาก มีความเพ่งพินิษมากพระองค์เนี่ยเป็นนักเพ่งมากนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่เบลองเงาองาเงอไม่ใช่เลยนะเป็นนักเพ่งมากมีกำลังมากประกอบด้วยพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งของสัตว์กำจัดความมืดใหญ่นี่นะสัตว์ต่างหลายมืดด้วย อวิชาเป็นต้นใช่ไหมมืดเพราะไม่เห็นอะไรไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นสมุทัยไม่เห็นนิโรธไม่เห็นมรรคไม่เห็นอดีตไม่เห็นอนาคตไม่เห็นทั้งอดีตอนาคตไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายมืดแบบนั้นพระองค์ก็กําจัดให้สัตว์เนี่ยแสส่องสว่างให้สัตว์เนี่ยเห็นอริยสัจเนี่ยนะพระองค์เนี่ยได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วคราวหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าไตรโลกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเลิศกว่าไตรโลกใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นกาลโลกรูปโล ก, โลกหรืออารมูโปโลกอะ่ะในโลกทุกโลกพระพุทธเจ้าเลิศกว่าสัพพสัตว์นั้นทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่าในห้วงทุกจักรวาลในสัตว์ทุกพทุกภูมิไม่มีใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระองค์นี้เป็นมุนีคือมีโมนียธรรมเนี่ยทรงรู้วาระจิตของสัตว์สมมุตินะว่าสมมตถ้ามีสัตว์มาประชุมกันสมมติว่าเป็นล้า น, ล, านล้านโกรธเลยว่างั้นเถอะล้านโกรธเนี่ยนะ สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยคิดอะไรอยู่นะพระองค์ตรวจสอบความคิดของสัตว์เหล่านั้นได้ทั้งหมดในชั่วครู่หนึ่งอ่ะแล้วแสดงทําให้เขาฟังได้ทั้งหมดเลยแก้ปัญหาทุกปัญหาของเขาได้อ่ะอ น, นะถ้าเนี่ยไปศึกษาเรื่องยงมะกะปาติหานเนี่ยสัตว์ที่มาประชุมกันในรัศมีกันเป็นหลายๆโยชนะตอนที่ที่ไปขึ้นที่ที่สาวัตถีนะที่เจดีอยู่อันหนึ่งที่ท้ายๆนั่นแะ่ะจะมีเจดีอยู่เจดีหนึ่ง ที่เป็นจอมปลวกดินนะนะตรงนั้นอ่ะที่เรียกว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกกปาฏิหารก็ขึ้นไปที่ยอดเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยจำเป็นลานที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากก็อบอกว่าสัตว์ที่มาประชุมนั้นอ่ะนะโดยรัศมีเนี่ยหลายโยอเนี่ยนะโดยโดยรัศมีเนี่ยพระองค์นี้แสดงยมกกปาฏิหารด้วยนะเหาะแสดงยมกกปาฏิหารเนรมิตพระพุทธรูปเอ่อเนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นอีกหลายองค์แล้วเดินจงกรมด้วยนะ เดินจงกรมตรวจ ด, ดูวาระจิตแล้วแสดงคำอ่ะ น, นะมันลุมากมายเหลือเกิน น, น, นะ น, นะผู้ที่ฟังทำคำว่าสัตว์ก็แปลว่าคนหรือมนุษย์เทวดาไม่ใช่ไม่ใช่เชดรัชานสัตว์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าผู้คล้องคือกลุ่มผู้คล้องในขันห้านะไม่ใช่มลงมาประชุมเต็มไปหมดไม่ใช่อาน ะ, อะเอาไปเอามาเนี่ยจะแย่แล้วะคะันนี้ สัตว์ก็คือพวกเรานี่ยแหละอย่างนั้นเลยนะคือผู้คล่องในขันท่าผู้คล่องในรูปข้องในเวทนาข้องในสัญญาคล่องในสังขารข้องในวิญญาณจึงเรียกว่าสัตว์นะมันโพรงนี้เป็นผู้เลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงโพรงนี้ตรวจสอบวาระจิตของสัตว์เนี่ยรู้ทั้งหมดเลยนะสมมติให้อย่างความคิดลงไปปั๊บเจ็ดวันเนี่ยนะหลังนี้เจ็ดวันก่อนหน้านั้นเจ็ดวันนี่รู้หมดถ้าจะรู้เกินไปกว่านั้นอีกก็ใช้อตีตังสยานนะนะถ้าเบื้องหลังเนี่ยนะ ถ้าจะรู้อนาคตต่อไปก็ใช้อนาคาตังสยานเนี่ยนะตรวจสอบรู้ได้หมดเลยเพระองค์นั้นทรงแนะนำเวนยสัตว์เป็นอันมาก <c oughs> แนะนำเวนยสัตว์นะนะก็แนะนำให้เขายังไงก็แนะนำในสังวรวินัยกับปหานวินยัยนั่นเองทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ พระพิชิตามานเนี่ยสรรเสริญภิกษุผู้เพ่งพินิจยินดีแล้วในฌานมีความเพียรสงบระงับไม่ขุนมัมในท่ามกลางบริษัทนะทรงทำให้ประชาชนยินดีครั้งนั้นเราเป็นพราหมเรียนจบไตรเพศอยู่ในพระนครหงสาวดีได้สดับพระธรรมเทศนาก็ชอบใจจึงปรารถนาฐานันดร น, นั้นเนี่ยฟังคำสอนนะโอืฟังที่พระองค์สรรเสริญภิกษุผู้เพ่งฌานเนี่ยก็เลื่อมาสมาก ทีนั้นพระพิชิตามารผู้เป็นสังฆาปรินายกยอดเยี่ยมได้ตรัสพยากรณ์ในถ้ำกลางสงว่าจงดีใจเถิดพรามท่านจกได้ฐานนันดรนนี้สมดังมโนรถปรารถนานะปรารถนานะท่านปร า, นะาปรถนะ า, นปานะเป็นเลิศในทางเพ่งฌานท่านก็จะได้สำเร็จสมความปรารถนาะในกับที่แสนแต่กับนี้พระาศาสดาพระนามว่าโคตมะผู้สมพบในวงของพระเจ้าโกกากราัต จักเสดอุบัติขึ้นในโลกท่านจักได้เป็นพระธรรมทาญาตของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นพระอุรสอันธรรมเนรมิตรเป็นสาวกของพระาศาสดามีชื่อว่าเรวตยเนี่ยนะท่านท่านก็ได้รับพยากรณ์นะนะทำสังเกตดูนะว่าผู้ที่กล่าวเนี่ยนะคำพูดที่ท่านระลึกนะท่านจะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเนี่ยมากว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เลิศ แต่คําคํายกย่องสรรเสริญนะให้รู้เท่าว่าจะไม่พ้นจากเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทัอนุตโรเนี่ยอย่างคําที่ฟังไปแล้วโดยมากก็สรรเสริญในคําว่าอนุตโรเนี่ยนะเป็นต้นนั่นเองอนุตโรบ้างโลกวิทูวบั้งเนี่ยนะหรือว่าวิชาจารณะสัมปันโนบ้างเนยนะก็จะเอาค่อยคําต่างๆมาสรรเสริญมายกย่อง น, นะเนะ หลังจากที่ได้รับพุทธพยากรอย่างนั้นเนี่ยนะว่าจะได้บรรลุเนี่ยก็ดีใจใช่ไหมผู้ที่ตั้งความปรารถนารู้ว่าตัวเองปรารถนาอะไรสําเร็จนะโดยมากดีใจนะนนี้ตามสูตรเขาเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมที่ทําไวด้ดีและเพราะการตั้งเจตจํานงไว้เราละร่างกายมนุษย์แล้วก็ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึ ง, งก็ชีวิตก็ลัดผ่านไปแสนกับในพพ สุดท้ายนี้ในบัดนี้เราเกิดในตระกูลกษัตริย์อันมั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากในโกรยานาครนะก็เป็นพระญาตินั่นเองแต่พระญาติฝ่ายฝ่ายแม่นะก็เกิดในตระกูลกษัตริย์คราวที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมในพระนคกรกบิลพัฒน์เนี่ยเราเลื่อมใสในพระสุคตเจ้าจึงออกบวชเป็นบนรรพชิตนีนะสุคตก็คือสุขตะนั่นเองนะสุคตสุขโตนะสุคตนี่เป็นยังไง ประสุขคตปสุขคดก็คือผู้ที่เสด็จไปดีแล้วนีไปดีแล้วก็คือไปสู่ที่ดีนะไปสู่ที่ดีที่ไหนดีที่สุดนะที่สังคตะธรรมเนี่ยดีไหมถ้าไปหาสังคตะธรรมก็ยังไม่ดีอ่ะนะเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งก็คือเสด็จไปสู่อสังคตาธรรมนั่นเองนะเนี่ยคือไปดีอย่างหนึ่งดําเนินไปดีเนี่ยนะ ไปแบบไหนจริงก็เรียกว่าคนไปดีเนี่ยนะใช้อะนะถ้าไปไม่ดีก็ไปแบบคนมีความชั่วทางกายวาจาใจาใช่ไหมเรียกว่าคนไปไม่ดีแต่พระองค์เนี่ยมีความดีทางกายวาจาและใจบริบูรณ์ทีนี้ความดีทางกายวาจาใจจะเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมที่ไหนเต็มเปี่ยมในขณะอารยมรรคเนี่ยนะความดีทั้งหลายนะจะบริบูรณ์เมื่ออารยมรรคพระองค์เนี่ยไปดีคือไปด้วยอารยมรรคนั่นนะแล้วพระองค์ไปดีเนี่ยนะ ถ้าคนไปดีจริงอ่ะนะก็ต้องไม่ย้อนกลับมาหาสมมุตินะถ้าไปดีอ่ะนะถ้าเป็นแบบชาวเราจะไม่ลืมของสักอย่างเลยนะไปแล้วไม่ห่วงหลังอ่ะนะพ อ, องก็เหมือนกันไปด้วยอริยมรรคไม่ย้อนกลับมาหากิเลสเลยไปด้วยโซดาปณิมมรรคเนี่ยไม่ต้องย้อนกลับมาหาสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีระพตตปรามาตอีกถ้าไปด้วยสกะท า, าคามีมรรคอนาคามีมรรคไม่ต้องกลับมาหาราคากะกับโทสะอีกเลยการมาราคากะกับโทสานี่ละได้หมด ถ้าไปด้วยอรหัตตะมักนะรูปปราฆะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชาเนี่ยออกหมดเลยเหมือนกันนั่นก็เรียกว่าพราะไปดีคนไปดีเนี่ยนะไปเพื่อไปแบบการมัสุขาลิการุโยกมันก็เรียกว่าไปไม่ดีเหมือนกันนะไปแบบพวกอัตตะกิละมาฐานุโยกก็ไปไม่ดีนั้นพระองค์จึงไปด้วยมัชฌิมาปฏิปทาบางพวกเนี่ยไปแบบสัสตตตถิเถียบางพวกไปแบบอุดเฉททิฏฐิแต่พระองค์ไปและเห็นอริยสัจ ไปแล้วรู้อย่างอริยสัจนะคือพวกที่เป็นอุจเฉทิฏฐิสัสตตทิฏฐิเนื่องจากไม่รู้อริยสัจนั่นเองจึงเป็นทิฏฐิเหล่านั้นนั้นเกิดขึ้นนะดันั้นการเห็นอริยสัจเนี่ยจึงละทิฏฐิได้โดยประการทั้งปวงทีนี้คนที่ไปไม่ดีเนี่ยนะสมมติถ้าไปทางวาจาเนะี่ก็คือพูดไปเรื่อยพูดไม่มีสาระอันนี้พวกนี้ก็ไปไม่ดีเหมือนกันนะคำพูดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยคําพูดเนี่ยไม่มีที่ไปไม่ดีมีคําไหนบ้างที่พระองค์แสดงไว้ไม่ดีตรัสไว้ไม่ดีไม่มี มีแต่สวากขาโตเนี่ยน ะ, สะแสดงไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วพระดาวิดกเนี่ยไม่มีตรัสไว้ไม่ดีหรอกบัณฑิตทั้งหลายเขายอมรับว่าพราะองค์ตรัสไว้ดีจริงๆแต่สมัยนี้คนที่ไม่ใช่บัณฑิตแหมบอกตรัสไว้ยังไม่ดีใช่ไหมผู้ที่ไม่ใช่บัณฑิตก็ยังตำหนิอีกจนได้นะก็เสียหายเดี๋ยวเดี๋วข้างหน้าจะถึงแล้อุบาลีเถรคถาขอเข้ามาแล้วไหมขอยังขอแล้วออดีแล้วอขอเข้ามาแต่ไม่ขอเข้ามา่เลย แย่ yeah, เลยอ่ะคือการขอขมาเนี่ยนะไม่เป็นเครื่องกั้นที่จะตรัสรู้แต่ไม่ใช่ขอขมาแล้วเจตนานั้นจะไร้ผลนะคนละประเด็นกันก็ชาวนะถ้าขอขมาแล้วนะมันจะเป็นอาโหสิกรรมไนดะ้ยังไงอ๋อคำว่าขอขมาคือไม่เป็นเครื่องกั้นที่จะบรรลุมรรคผลแต่ว่ากรรมก็คือกรรมอะ่ะโดยกายด้วยก็ดีด้วยวาจาก็ดีก็ด้วยใจก็ดีที่ได้ล่วงเกินพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้พระ อ, องคโ์อโุทธรณ์เพื่อได้สังวรระวังต่อไปเนี่ยนะ อันนี้เนี่ยไม่กั้นที่จะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ายังมีขันห้าอยู่นะเจตนาอันนั้นก็เรียกคนละประเด็นกันะนะะการขอขมาเนี่ยคือไม่ได้กางกั้นในการบําเพ็ญกุศลชั้นสูงแต่ถ้ายังอยู่ในขันห้าอยู่นะก็ไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่เป็นแบบนั้นนะแล้วก็เฉพาะชาติสุดท้ายไม่ใช่ทุกก็เราไม่ได้รับคําอธิบายไง ก็เราไม่มีกัลยาณามิตรเนี่ยนะ ก, ก็เนี่ยคือโทษของวตตนาะนี่ว่าขันห้ามันไม่ปลอดภัยอย่างนี้แหละมันก็เรียกว่าอดที่จะเปื้อนไม่ได้นะอดที่จะเปื้อนบาปไม่ได้พ้นก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้พระองค์นี้ก็สุขโตนะก็คือไปดีด้วยวาจาเนี่ยไม่มีวาจาใดวาจาที่ดีจริงๆคือวาจาอย่างไงวาจาที่ช่วยให้คนฟังพ้นจากทุกข์ได้วาจานั้นเรียกว่าวาจาที่ดี มันพระสุคตคือตรัสคําวาจาของพระองค์ถามว่าสูตรไหนบ้างที่สัตว์ไม่บรรลุมรรคผลในนี้ไหมที่ไปปฏิบัติตามสูตรนั้นแล้วไม่บรรลุเลยอมีไหมหาสักสูตรหนึ่งไม่มีมันทุกสูตรที่พระองค์แสดงไว้นะนําออกจากทุกทั้งหมดแต่ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วคําพูดที่พระองค์ตรัสไว้แล้วคนตกนรกแหละพระองค์เนี่ยแสดงถูกต้องให้เข้าพ้นทุกข์เขาไม่ฉลาดเองไปตกนรกแต่ทาอะไรเนี่ยนะสมมติว่ายาเนี่ยเขาผลิตไว้เพื่อรักษาโรคก็ไปกินผิดสูตรเองอะ่ะ ก็โทษยาไม่ได้โทษผู้ปรุงไม่ได้นะโทษแบบคนกินไม่ฉลาดกินเองน่นนะฉะนั้นพระองค์วาจาของพระองค์เน้นนำสัตว์ออกจากทุกทั้งหมดได้อย่างหนึ่งคําว่าสุขโตนะไปเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายคำว่าพระสุคตเนี่ยนะไปดีแล้วเนี่ยเริ่มไปดีตั้งแต่เมื่อไหร่ไปเริ่มไปดีตั้งแต่ได้รับพุทธภยากรว่าเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นท่านไปดีเลยนะทุกอย่างที่ท่านทำไปเนี่ยทำเพื่อจะช่วยสัตว์ให้ออกจาก จากทุกเนี่ยนะความที่พระ อ, องค์เนี่ยเจตนารมตั้งความปรารถนาเพื่อจะช่วยให้สัตว์ออกจากทุกเนียผู้ที่ถึงพระ อ, องค์ถึงไตรสารณะนะยังออกจากอบายได้ก่อนนะออกจากทุกอันนั้นก่อนใช่ไหมทีนี้ถ้าได้ฟังคําสอนของพระ อ, องค์นะออกจากความทุกข์ใจได้ไหมคนที่มีปัญหาทางความคิดนะทางจิตใจเนี่ยถ้าฟังธรรมของพระ อ, องค์เข้าใจคําสอนมากจะถามว่าออกจากโทสะได้ไหมออกจากทุกได้ไหม ันผู้ที่ฟังคําสอนก็ออกจากทุกข์คือราคะออกจากทุกข์คือโทสะได้ออกจากทุกข์ออกกกคือโมหะได้ถ้าปฏิบัติตามคําสอนอย่างแท้จริงก็ออกจากทุกข์คือวัตตะได้เพราะพระองค์เนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากจากทุกข์นะแต่นี่หมายถึงสัตว์ที่พอจะมีศรัทธานในพระองค์นะไม่ใช่ว่าไปช่วยได้กับทุกข์แหมจะเนรมิตเนี่ยนะ เ, เป่าให้เขาออกจากนรกทั้งหมดทําไม่ได้ แต่ละที่สมัยนี้ก็บอกแหมถ้าเราปฏิบัติดีนะ่าจะช่วยญาติเจ็ดชั่วโคตรให้ออกจากอบายได้หมดเนี่ยนะโอ้ยมันหลอกกันชัดๆกันนะั้นพระพุทธเจ้ายังทําไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ทําได้นะพระองค์จะยอมให้พระเทวะทัตตกนรกหรือพระองค์จะยอมให้สำนวนไทยเราเรียกว่าพ่อตานะคือพระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยเป็นพ่อตาเป็นพ่อของพระนางพิมพาพระนางพิมพาท่านน่าจะแบบถ้าท่านเก่งอะ น, นะ ถ้าช่วยสัตว์ออกจากนรกได้จริงๆท่านน่าจะช่วยพี่ชายของท่านคือพระเทวทัพได้น่าจะช่วยพ่อของตัวเองคือพระเจ้าสุปปะพุทธให้ออกจากนรกได้แต่ว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าใครทําผิดก็เป็นเรื่องของคนนั้นไปนะก็คือช่วยคนที่เลื่อมใสในพระองค์ไม่ได้ช่วยศัตรูนะคือคนที่มีโทสะอง์จะไปช่วยเขาได้ยังไงเพราะโทสะมันก็คือโทสะนั่นแหละถ้าช่วยให้เขาออกโทสะได้แต่ถ้าช่วยให้เขาออกจากโทสะไม่ได้ตัญหามันก็แก้ไม่ได้อยู่แล้ว นั้นคําว่าพระสุคตเนี่ยนะไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็คือไปเพื่อช่วยสงเคราะห์คนที่มีศรัทธาเป็นต้นนั่นเองแต่ถ้าพวกที่สงสัยในคําสอนพระองค์แสดงในแง่ไหนก็ไม่เชื่อเลยนะพระองค์ก็ช่วยเขาไม่ได้มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเราช่วยเขาไม่ได้หรอกบอกตรงๆว่าช่วยไม่ได้ในปรายญานวักนะบอกเลยว่าเราช่วยคนไม่มีศรัทธาเป็นต้นไม่ได้หรอกเราช่วยคนสงสัยไม่ได้หรอกนั่นะอ คือโเคตพูดแสดงในแง่ไหนก็สงสัยไปหมดไอ้คาว่าสงสัยเนี่ยนะหนักไปที่จะเชื่อเริ่มหนักไปทางไม่เชื่อถ้าสงสัยเกิดขึ้นนะั้นหนักไปในทางไม่เชื่อเพันธุ์ก็ช่วยคนกลุ่มนั้นไม่ได้หรอกทีนี้พระสุคต์ละ่เนี่ยนะที่พระองค์พันพอไปฟังธรรมอ่ะนะก็เลื่อมใสในพระสุคต์คือพูดเสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะพระสุคต์คือหนึ่งไปสู่ที่ดีคืออสังคตาธาตุเนี่ยนะสองไปด้วยดีไปทางดีดําเนินไปดีคือด้วย อริยมรรคก็ไปดีจริงก็ไม่ย้อนกลับมาหากิเลสอีกครั้งหนึ่งก็สี่ก็คือไปไม่ใช่ไปแบบการมัศุขัลิกานุโยคไม่ได้ไปแบบอตตกีระนุยมัฐานุโยกแต่ไปแบบมัชชิมาปฏิปทาพราะองไม่ไปด้วยสัสตทิฏฐิไม่ไปแบบอุเฉต ท, ทิฏฐนะิที่ด้วยอำนาจของสัตตสัญญาหรืออัตตะสัญญาแต่ไปด้วยนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกกระดีโรดนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือเห็นอริยสัจ